แงโยมเคยปฏิบัติกันไหมเคยภาวนาไหมปฏิบัติอาวิปปะกันเลยฝึกแนวไหนแนวแม่แม่ศ<ม>ิริอ่ใครคุณแม่ศิรินะคุแม่ศิริลรูกศิษเยอ ะ, อยอะลอูกศิษเป็นล้านละ ม, ม, มั่งโ ย, <racket> ยมนี้ล่ะเคยฝึกไหมฝึกม่จังยังเลยเหรอ แล้วทีมน้นมาจากไหนกันอะไรนะอ๋อศุนันท์สายวัดป่าฝึกลมหายใจอ่นอ้าวคุณนี่ล่ะฝึกมาแบบไหนอ๋อคุณแม่ฟิรีที่เสียงข้างมากเนาะสราเกิดกันแล้เยอะแท้ก็แค่วัดธรรมกายที่เดียว นั่งให้สบายนะเดีย๋ยวฟังธรรมะนั่งสบายๆอย่าเคร่งเครียดธรรมะเป็นของง่ายๆเราอย่าไปวาดภาพว่าธรรมะคืออะไรอย่างหนึ่งที่มันลึกลับยากๆอยู่ไกลๆทําไปอีกหลายๆชาติถึงจะเจอดังนั้นเพราะเราไม่รู้จักว่าธรรมะคืออะไร แต่ถ้าเรารู้จักว่าธรรมะคืออะไรเราจะพบว่าธรรมะอยู่ต่อหน้าต่อตาเราตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนเลยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะที่พวกเราจะต้องเรียนกันนะมีสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่ารู ป, ปรธรรมคือเรื่องของกายเรานี้ส่วนหนึ่งเรียกว่านามรธรรมคือเรื่องของจิตใจศา ส, สนาพุทธเนี่ยสอนธรรมะเพื่อให้พวกเราปฏิบัติจะได้พ้นทุกข์ จะ ไ, ได้หมดความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยตัวสาคัญในความทุกข์มันมีอยู่สองส่วนเท่านั้นคือความทุกข์กายกับความทุกข์ใจเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากศึกษาธรรมะเราต้องศึกษาลงมาในกายในใจของตัวเองนะอย่าไปศึกษากายกนคนอื่นนะศึกษากายกับใจของตัวเองคอยสังเกตลงไปเลยคอยรู้สึกตัวไว้อย่าใจลอยใจลอยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่ง แล้เราคอยรู้สึกตัวแล้วก็ค่อยสังเกตลงที่กายที่ใจตัวเองเรื่อยๆ <c oughs> คอยดูซิว่าความทุกข์มันเกิดได้ยังไงอย่างความทุกข์ทางกายเนี่ยเดี๋ยวมันก็หิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเมื่อยนั่งอย่างสบายๆไปเดี๋ยวนึงความทุกข์ก็มาอีกแล้วดังั้นความทุกข์ทางกายมันจะตามมาเรื่อยๆ <c oughs> เวลาแล้วร่างกายมีความทุกข์อย่างมันนั่งแล้วเมื่อยเนี่ยเราก็จะขยับหนีความเมื่อยไปชั่วคราว ขยับแล้วก็สบายไปเดียวเดียวเดียวเมื่ออีกละวหรืออย่างเราหิวข้าวเราก็ไปทานข้าวแหมหายทุกข์ไปหน่อยหนึ่งนานๆก็เริ่มหิวอีกละทุกข์อีกละนะงั้นเนี่ยถ้าเรามีสติคอยสังเกตอยู่ที่กายเราจะเห็นว่ามันทุกข์ทั้งวันเน่ยแต่เดิมเราเคยคิดว่าร่างกายเนี่ยนานๆทุกทีหนึ่งต้องเจ็บป่วยถึงจะทุกข์อยู่เฉยๆนี่ไม่ทุกข์ แต่พอเรามีสติคอยสังเกตอยู่ที่กายเราเรื่อยๆเราจะเห็นร่างกายมันทุกข์ทั้งวันนะนะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดอือปวดชีนะเดี๋ยวเมื่อยนะนั่งเมื่อยเดินมากๆก็เมื่อยนั่งมากๆก็เมื่อยไปนอนนึกว่าจะสบายนอนนานๆก็เมื่อยอีกและนะหาความสุขไม่ได้เนี่ยถ้าเราคอยรู้กายเราก็จะเห็นกายนี้เป็นก้อนทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวสุขเลย ทำไมมันถึงทุกข์ก็เพราะมันมีร่างกายมีร่างกายมันก็เลยต้องทุกข์ดันั้นทุกข์ทางกายเนี่ยหนีไม่ได้หรอกนะเมื่อรู้ว่ามันหนีไม่ได้เวลามันเกิดทุกข์ทางกายก็หาทางแก้ไขเอาแต่อย่า ก, กลุ่มใจพรกลุ่มใจยังไงมันก็ต้องทุกข์อยู่นั่นแหละหนีไม่ได้นี่สมมุติว่าชาตินี้เราทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้นะแต่ว่าเห็นมรรคกายเป็นก้อนทุกขนะ์เห็นแค่นี้ก็ดีวิเศษสมเทไปล้ว เวลาเราจะตายขึ้นมาจริงๆเจ็บหนักจะตายเนี่ยมันจะไม่ทุรนทุรายเราจะเห็นว่าก้อนทุกข์มันจะตายไม่ใช่เราตายนะบางคนจะดีใจเออตายตายซะได้ก็ดีเนี่ยถ้าเรามีสติคอยสังเกตกายก็เห็นมันเป็นก้อนทุกข์นะไม่น่ารักไม่น่าหวงแหนเพราะเรารักกายมากวันวันหนึ่งเราเลยมีภาระมากมายตั้งแต่ตื่นนอนนะตื่นนอน พามันไปอาบน้ําพาไปล้างหน้าพาไปอือพอไปี่พามันกินข้าวพามันทํางานทั้งวันเลยนะเพราะว่ามันทุกข์ถ้าไม่ทําไม่ได้แนะม่อาบน้ําเนี่ยไม่มีใครเข้าใกล้ใช่ไหมคุณมน <c oughs> ใครไม่อาบน้ําตอนเช้าเช้านะ <c oughs> นั่งห่างๆเพื่อนกันละกันเนะ <c oughs> นื้กายมันเป็นก้อนทุกข์นะไม่ใช่ตัวดีอะไรนี่ถ้า ต่อไปเรามาหัดสังเกตอยู่ที่ใจเรานะจิตใจเราดูซิว่าความทุกข์มันเกิดได้ยังไงคอยเฝ้ารู้อยู่ที่ใจเรื่อยๆดูบ่อยๆนะไม่ใช่หลายๆวันดูทีหนึง่งถ้าเราสังเกตใจเราบ่อยๆเราจะพบว่าประเดี๋ยวมันก็สุขประเดี๋ยวมันก็ทุกข์ประเดี๋ยวมันก็มีอารมณ์ดีมีความสุขนะเนบิกบานใจจิตเป็นบุญเป็นกุศลสักพักหนึ่งจิตเป็นอ ก, กุศลอีกแล้วนะ เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดียเด๋ยวก็หลงดเดียเด๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวอิดช้าอะไรเนี่ยให้เราคอยสังเกตใจของเราเรื่อยๆทุกคนสามารถรู้ใจตัวเองได้อยู่แล้วบางคนมักจะคิดว่าการรู้ใจนี่ยากรู้กายง่ายความจริงก็ยากทั้งคู่แหละหรือว่าถ้าทำเป็นก็ง่ายทั้งคู่แท้จริงแล้วความรู้สึกในจิตใจของเราเนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้ว ถ้าแตมาถามว่ารู้จักโกรธไหมก็รู้จักใช่ไหมใครไม่รู้จักโกรธบ้างนะใครไม่รู้จักกังวลใครไม่รู้จักกลัวใครไม่รู้จักอิจฉานะผู้ชายก็อิจฉาเป็นนะออไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงที่อิจฉาผู้ชายก็อิจฉาเป็นกันอย่างนิพนีธยเห็นหนุ่มหลอกกว่าไม่ค่อยชอบแล้วหรือเห็นเขียวนะหนุ่มกว่าะเห็นแล้วไม่ค่อยสบายใจอะไรเงี้ยให้หนูนาทําไมซ้าเติมคนอื่นเนี่ย เ น, นี่ยถ้าเราสังเกตใจของเรานะจะเห็นเลยใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายความรู้สึกต่างๆพวกเราทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะเพราะงั้นต่อไปนี้เวลาความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราเราคอยรู้ไวๆอย่ารู้ช้าส่วนใหญ่ก็รู้ได้ทุกคนแต่ชอบรู้ช้าๆนะเช่นโกรธคนไปเมื่อกลางวันแล้วเย็นนี้กลับบ้านเพิ่งนึกได้ว่าเมื่อกลวันโกรธอะไรอย่างนี้อย่างนี้ช้าไป ต่อไปนี้ความรู้สึกอะไรมันโผล่ขึ้นมาในใจเราคอยรู้ไวนะรู้บ่อยๆรู้ไวๆถ้าเรารู้เราก็จะเห็นเลยความรู้สึกทุกชนิดนะ่ะจะเป็นความสุขจะเป็นความทุกข์จะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเนี่ยล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันหมดเลยเทนะ่าเทียมกันคือเกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปอย่างเท่าเทียมกันถ้าเราเฝ้ารู้อย่างนี้ต่อไปเวลา ความสุขเกิดขึ้นในใจเราก็ไม่หลงระเริงความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่เสียใจใจค่อยเป็นกลางใจมีความสงบมีความสุขถึงไม่บรรลุมรรคผลนิพพานแค่นี้ก็ดีถมเถไปแล้วงั้นให้คอยอ่านจิตอ่นใจตัวเองเรื่อยๆซึ่งทุกคนสามารถทำได้บางคนชอบบอกว่าดูจิตยากนะเราลง เ, เคหัวมันทีคนไหนว่าดูจิตยากนั้นดูซิมันโกรธมันรู้จักไหมว่าโกรธน่ะ นะมันก็รู้จักอะ่ะยังบอกว่ายากอีกนะรู้จักได้ทุกคนบางคนบอกดูกายง่ายดูกายก็ยากนะเอสิ่งที่เราจะต้องรู้มันไม่ใช่กายไม่ใช่ผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะะนั้นมันไม่ใช่รูปนะ้ำเป็นสมมุติเป็นบัญญัติเป็นความคิดของเราอย่างเนี้ยเรียกว่าอะไรเรียกว่ามือใช่ไหมนะเราบอกเรารู้มือยกมือเรารู้ว่าเรายกมือนี่ย นี่ไม่ใช่การรู้รูปเลยไม่ใช่การรู้กายเลยนี่เป็นการหลงคิดเรื่องมือหลงคิดเรื่องเรายกมือไม่ใช่การรู้รูปรู้รูปจริงๆยากนะรู้รูปยากมากเลยสามารถเห็นไหมว่าไอ้ก้อนนี้เป็นต้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราเป็นธาตุมารวมกันอยู่ต้องรู้สึกได้จริงๆถึงจะเรียกว่ารู้กายซึ่งน้อยคนที่จะรู้ได้นะแต่เราชับคิดว่ารู้กายง่าย มันรู้กายง่ายก็คืออเราเดินอยู่คนโน้นเดินคนนี้เดินเรานั่งคนนั่นนั่งอะไรเนี่ยมีเรามีเขามีคนมีสัตว์มีบุคคลตัวตนเราเขาอยู่อันนั้นยังไม่ใช่เรียกการรู้กายเลยไม่ใช่การรู้รูปถ้ารู้รูปอย่างแท้จริงเราจะเห็นเลไอ้ก้อนนี้มันมาตั้งอยู่นี่มันไม่ใช่ตัวเรานะไอ้ตัวเนี้ยที่มีลมเข้าไปมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารู้รูป ส่วนการรู้นามาทำเช่นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลมันไหลผ่านมาแล้วมันผ่านไปนี่เห็นง่ายใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวเรามันเห็นคนทั่วเลยงั้นการปฏิบัติจริงๆนะคอยสังเกตกายสังเกตใจนั่นะนิบทําอะไรรู้ไหมทําแบบกิ้งกา่านะเออนะรู้สึกนะอย่าใจลอยเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกนะเราจะพยักหน้าก็ได้นะจะกระดุกกระดิกอะไรก็ได้ไม่ต้องบังคับตัวเองให้นิ่ง พยักหน้าแล้วรู้ไหมพยักหน้าแล้วใจลอยรู้สึกไหมพยักไปงั้แต่ใจนี่ไปชิดเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าสติเราไม่รู้ที่กายหรือว่าจิตใจของเรามีความสุขมีความทุกข์เกิดกุศลและกุศลเราดูไม่ออกเนี่ยสติไม่อยู่กับใจแล้วสติไม่อยู่กับกายสติไม่อยู่กับใจก็ไม่ได้ปฏิบัติยากไหมคุณรู้สึกยากไหมไม่ยากครับเออไม่ยากนะไม่คิดมากไม่ยาก คิดมากยากนานอย่าสังเกตไหมใจพวกเรานะตอนนี้ใจพวกเราส่วนใหญ่นิ่งๆ น, นะตอนทานข้าวใจไม่ได้เป็นอย่างนี้รู้สึกไหมตอนมาถึงวัดใหม่ๆตื่นเต้นรู้สึกไหมใจไม่เหมือนตอนนี้ความรู้สึกที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยให้เราคอยรู้ไปมันเปลี่ยนแปลงทั้งวันเนี่ยมันแสดงธรรมะ ม, มันแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูนะัของง่ายๆนะหัดดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจเอง เราจะเข้าใจเลยว่าจิตใจเนี่ยเป็นของเปลี่ยนแปลงทั้งวันถ้าจะหาคนหลายใจสักคนหนึ่งไม่ต้องไปหาที่อื่นนะอลองนั่งดูตัวเองจะพบว่าหลายใจที่สุดเลยนะเดี๋ยวใจก็ดีเดี๋ยวใจก็ร้ายเดี๋ยวใจก็สุขเดี๋ยวใจก็ทุกข์นี่สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคของการที่เราจะสามารถรู้กายรู้ใจตัวเองนะมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางสําคัญอยู่สองตัวตัวหนึ่งคือเผลอไป ใจรอยใครไม่รู้จักใจลอยลองยกมือดนะิทําไมต้องถามว่าไม่รู้จักให้ยกมือเลยไหมเพราะถ้าถามเอาใครรู้จักยกมือก็ไม่มีใครยกอะ่ะนะฉัน <c oughs> บอกเอาใครรู้จักนะไม่ต้องยกอะไรเงี้ยนะถือว่าทุกคนรู้จักแล้วเนาะหนีไปไหนกันละอืมอะไรนะเนะี่หลงหา นะหลงมาอีกรู้ยังว่าหลงเป็นยังไงเนี่ยศัตรูหมายเลขหนึ่งของผู้ปฏิบัตินะคือเผลอไปหลงไปใจลอยไปคิดไปเพลินเพลินเนะง้นขนาดเราจะดูท้องของท้องยุบนะเราไปคิดว่านี่พองนี่ยุบนี่คิดนะคิดกับรู้เกิดร้อมกันไม่ได้คนละขณะคนละจิตคนละดวงตรงที่เห็นอาการที่ท้องไหวเนี่ยเป็นการรู้อารมณ์ปรมาศ นะตรงที่คิดว่าเนี่ยท้องผองนี่ท้องยุบนี่เป็นบัญญัตินะโคด้านกันศัตรูใหม่เลขหนึ่งคือหลงศัตรูใหมายเลขสองคือการนั่งเพ่งเอาไว้คือไม่เผลอก็เพ่งนั่นเองการหลงไปหรือการเผลอไปเนี่ยมีหกแบบนะเรียนให้รู้จักสักสามแบบก็ปฏิบัติเป็นละหลงไปทางตาหลงไปทางหูก็หลงไปทางใจสามอันนี้หลงบ่อย หลงทางจมูกทางลิ้นนี่มีไม่บ่อยทางลิ้นเนี่ยถ้าไม่กินข้าวก็ไม่หลงนะเราจะมาหลงเพลิดเพลินในการรู้รถน้ํำลายตัวเองมันก็ไม่รู้ใช่ไหมเออไม่เพลินไม่เผลอแต่เห็นคนเดินมาเราไปดูเขาแล้วลืมตัวเราเองนี้เรียกว่าลหลงดูเมื่อไหรหลงดูก็ลืมกายลืมใจตัวเองรู้กายรู้ใจไม่ได้ก็ปฏิบัติไม่ได้นะเวลานั่งฟังอาตมาพูดสัง เ, เกตไหมตั้งใจฟังใหญ่เลยฟังแล้วก็รู้เรื่องนะ แต่ลืมกายลืมใจตัวเองรู้สึกไหมเนี่ยระหว่างที่ฟังเนี่ยฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปแล้วก็ลืมกายลืมใจตัวเองก็เรียกหลงฟังนั่งอยู่คนเดียวนั่งเฉยเฉยก็นั่งคิดไปเรื่อยๆยนี่เรียกหลงคิดการหลงเนี่ยมีหลงหกช่องทางคือหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองหลงทางใจเนี่ยหลงอันดับหนึ่งเลยหลงทั้งวันเลย อาตมาอยากจะพูดแต่ยังเกรงใจแต่เกรงใจก็พูดเนาะเพราะเรามาตั้งใจเรียนพูดกันอย่างไม่ต้องเกรงใจกันก็คือในโลกเนี้ยหาคนรู้สึกตัวไม่ได้ในโลกนี้มีแต่คนหลงหมายถึงว่าตื่นขึ้นมาก็ตื่นแต่ตัวแต่ใจ น, นั่งฝันทั้งวันเลยรู้จักฝันหรือยังเนี่ย <c oughs> อย่างที่กันเนี่ยนะใชไหมมันตื่นแต่ตัวแต่ใจมันหนีไปคิดทั้งวันน่ะ ะนี้ไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันทั้งวันนะหาคนรู้สึกตัวไม่ค่อยจะได้นะงานหน้าที่ของเราคอยรู้สึกตัวถ้าเมื่อไรเราหลงไปเราเผลอไปเรารู้กายรู้ใจไม่ได้ทำวิปัสนาไม่ได้รู้จักหลงไปคิดไหมหลงแต่หน้าตาตารู้สึกไหมนะนี่หันรู้จักอย่างนี้นะหนรู้จักทำอะไร เออนะหลงเนี่ยหันรู้จักหลงไว้นะหลงเป็นศัตรูใหม่เลขหนึ่งถ้าเมื่อไร่จิตมันหลงไปแล้วเราเกิดรู้ว่ามันหลงเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะสามารถรู้กายรู้ใจได้อย่างอัตโนมัติเลยนี่ศัตรูใหม่เลขหนึ่งคือหลงไปหลงทางตาหลงทางหูหลงทางใจหลงทางตาทํางานอย่างเดียวหลงไปดูหลงทางหูทําอย่างเดียวคือไปฟังแต่หลงทางใจทําได้เยอะเช่นหลงตั้งท่าปฏิบัติ หลงเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีนะหลงตามกิเลสไปหลงใจลอยหลงคิดรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมตัวเองนะหลงเพ่งเพ่งเพ่งจ้องจ้องอะไรนี่ยลืมตัวเองตลอดเรียกว่าหลงงั้นถ้าใครเข้าใจหลงทางใจแล้วก็ปฏิบัติเป็นเลยนะเป็นทันทีเพราะทันทีที่ไม่หลงก็คือทั น, ท, นทีที่มีสติขึ้นมานะทันทีที่ไม่หลงก็คือสามารถเจริญพิปัสนาได้ละ รู้จักหลงหรือยังเห็นไหมมันหลงต่อหน้าต่ อ, ต, อตาหนีไปคิดนะ่ะแล้วมันลืมกายลืมใจนะรู้จักหลงหรือยังเห็นไหมมันแอบไปคิดเห็นไหมมันคิดแล้วมันลืมตัวเองรู้สึกไหมเนี่ยตัวร้ายที่สุดเลยนะศัตรูหมายเลขหนึ่งของพวกเราเลยก็คือความหลงนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าโมหานี่โทษร้ายแรงที่สุดความหลง ตัวที่สองมาหัดทำความรู้จักศัตรูของการทำมิปัสสนาก็คือการนั่งเพ่งคําว่านั่งเพ่งเนี่ยหมายถึงว่าเรารวมความสนใจของเราจดจ่อเข้าไปอยู่ในจุดจุดเดียวลืมโลกไปเลยเหลือแต่สิ่งสิ่งนั้นที่เราไปจ้องไว้เช่นบางคนหายใจเข้าหายใจออกเอาจิตไปจับไว้ที่ลมเลยลืมความรู้สึกตัวลืมกายลืมใจไปนี่เรียกว่าไปเพ่งเพ่งลมหายใจ บางคนดูมือขยับมือนะขยับมือนี่ใจไหลไปอยู่กับมือนี่ก็เพ่งบางคนไปเดินจงกรมนะยกเท้ายั่งเท้าดูเท้าใจไหลไปอยู่ที่เท้าลืมตัวเองโลกนี้เหลือแต่เท้าเคยรู้สึกไหมแล้วใจจะหนักหนักแน่นแน่นเกร็กงเกรงแข็งแข็ ง, ขงเครียดเครียดซึมซึมลักษณะที่จิตใจเป็นแบบนั้นล้วนแต่เป็นอกุศลจิตทั้งสิ้น จิตที่เป็นกุศลเนี่ยจิตจะรู้ตื่นเบิกบานแช่มชื่นเบาสบายนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะไม่ซึมไม่ทื่อไม่แข็งนั้นต้องระวังเราปฏิบัติไปปฏิบัติมานะจิตกายเป็นอกุศลต้องระวังนะการเพ่งอย่างบางคนก็รู้ท้องสัง เ, เกตไหมเวลาเรารู้ท้องจิตเราเพ่งใส่ท้องบางทีมันไม่ใช่คาว่าสักว่ารู้นะ มีปั ส, สนาเนี่ยเราสักว่ารู้อารมณ์ไม่ถล่มลงไปเพ่งถ้าเปรียบเทียบคล้ายๆเรายืนอยู่ริมตลิงยืนอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำริมคลองเราเห็นของอะไรต่า ง, างๆไหลมาในน้ำนะเห็นเ้าลอยกระทงสวยๆมาก็เห็นมันลอยมาแล้วลอยไปเราอยู่บนบกไม่โดดลงน้ำเห็นหมาเน่าลอยมาก็อย่าชะโงกไปดูเดีย๋ยวตกน้ำเวลาจิตใจจะไปรู้อารมณ์เหมือนกัน อย่าถล่มลงไปจ้องใส่มันจนลืมตัวเองหรือเหมือนดูละครดูละครดูอยู่นอกเวทีนอย่าโดดขึ้นไปอยู่บนเวทีพวกเราจะกระโจนใส่ลงไปนึกออกไหมเวลารู้ท้องก็กระโจนเข้าไปที่ท้องรู้เท้ากระโจนเข้าไปที่เท้านะรู้ลมหายใจกระโจนเข้าไปใส่ลมหายใจนั่นคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่น พวกเราบางครั้งลงมือปฏิบัตินะเราเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ครบพระพุทธเจ้าสอนบทเรียนสามบทศีลสิกขาต้องเรียนเรื่องศีลจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตจนรู้ว่าจิตที่เป็นกุศลเป็นยังไงจิตอกุศลเป็นยังไงจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงจิตที่ถลําไปเป็นยังไงต้องรู้จักก่อนพอรู้จักจิตใจตัวเองแล้วถึงจะไปเจริญปัญญาได้ พวกเราจูจ่ๆก็ไปเจริญปัญญาเลยรู้สึกไหมไปลงมือกําหนดรูปนามมันทําไม่ได้หรอกนะเพราะข้ามขั้นข้ามขั้นที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าอยากหัดไปอย่างสบายๆนะทําตามที่พระเจ้าบอกง่ายเรียนเรื่องศีลก่อนพวกเราอย่าไปมองข้ามว่าศีลเป็นของง่ายนะอยู่ๆก็ามาเที่ยวขอศีลจากพระนี่ไม่ใช่ศีลตัวจริงเลย ศีลห้าศีลแปดศีลสิบกระทั่งศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดนั้นเป็นศีลเชิงจริยธรรมเป็นศีลที่เอาไว้อยู่กับโลกจะได้ไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาไม่เบียดเบียนตัวเองมากมันมีศีลอีกชนิดหนึ่งเป็นศีลของผู้ปฏิบัติเรียกว่าอินเซียสังวรศีลนะเนี่ยเราต้องเรียนอินเซียสังวรศีลนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเมื่อตาเรามองเห็นรูป นะความยินดียินร้ายหรือกุศลอกุศลอะไรเกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงําใจยกตัวอย่างเราเห็นคนคนหนึ่งเดินมาจําได้ว่านี่เพื่อนรักของเราเราก็ดีใจเลยคนทั่วๆไปดีใจแล้วก็วิ่งไปคุยกันเพลดิดเพลินนี่เรียกไม่มีศีลแล้วไม่ต้องไม่ทันจะละเมิดศีลห้าเลยแต่จิตนะั้นไม่มีศีลแล้วจิตไม่ปกติ จิตถูกกิเลสครอบงำไปแล้วถ้าจะมีศีลก็คือพอมันดีใจรู้ว่าดีใจตามองเห็นเพื่อนเดินมาใจมันดีใจขึ้นมารู้ว่าดีใจเห็นศัตรูคู่อาฆาตเดินมาคนส่วนใหญ่พอศัตรูเดินมาก็ไปคอยดูศัตรูใช่ไหมนักปฏิบัติเนี่ยพอศัตรูเดินมาใจเราเกลียดรู้ว่าเกลียดความยินร้ายเกิดขึ้นที่ใจให้เรามีสติ คอรู้ทันความยินดียินร้ายในใจของเราบ่อยๆศีลมันจะเกิดขึ้นเองยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคนมาด่าเราความโกรธเกิดขึ้นที่ใจนะเรามองเห็นความโกรธมีสติรู้ว่ากําลังโกรธอยู่ความโกรธพุ่งขึ้นมาเห็นเลยความโกรธจะครอบงําใจไม่ได้เมื่อความโกรธครอบงําใจไม่ได้เราไม่ฆ่าเขาแน่เราไม่ตีเขาแน่นี่ศีนข้อหนึ่งเกิดขึ้นเองแล้เราไม่ด่าเขาล้วศีนข้อสี่ก็เกิดขึ้นละ เห็นสมบัติของคนอื่นเขาสวยงามอยากจะได้รู้ว่าอยากได้ะสมมติหนุ่มๆหนุ่มๆอย่างคุณไกลอันนะ้เห็นสาวๆเดินมาใจมัชอบเกิดรู้ว่าชอบนะรู้ว่าชอบแนละ้วกิเลสราคาครอบงาใจไม่ได้ก็ไม่ไปล่อลวงเขาหรือเห็นสมบัติเขาก็ไม่ขโมยเขาเห็นเมียเขาก็ไม่ไปเป็นชู้กับเขานะเพราะว่ามันรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นที่ใจตัวเอง นี่อย่างนี้เรียกว่าอินเสียสังวรศีลศีอย่างนี้สําคัญนะเป็นศีลของนักปฏิบัติแค่เราหัดตามรู้ความยินดีนยินร้ายที่เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยได้ครบเลยศีลสมาธิปัญญาจะได้ครบเลยเพราะกิเลสครอบงําจิตไม่ได้จิตเป็นปกติจิตก็มีศีล น, นี่จิตพอมันเป็นปกติมันก็ไม่ถูกความอยากครอบงำอย่าส่วนตามมองเห็นสาวเกิดเดินผ่านมาใจมันเกิดราค้ามเห็นราคะ ราคาดับไปแล้วจิตใจเราจะไม่วิ่งตามสาวไปนะจิตใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจจะไม่หลงไปทางตาไม่หลงเที่ยวตามดูเข้าไปเรื่อยๆนะไม่หลงทางกายเดินตามเข้าไปเรื่อยๆไม่หลงทางใจจินตนาการมันทํายังไงจะหลอกเขาได้เนี่ยจิตใจของเราจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเองสมาธิหมายถึงจิตใจมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัว จิตใจไม่หลงไปไม่เผลอไปจิตใจมันหลงไปได้หกทางนะหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนมาบอกแล้วทีแรกงั้นเรามีสติจิตของเรามีกิเลสเกิดขึ้นที่ใจถ้ารู้ทันเนี่ยจิตก็จะไม่วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ารู้ไม่ทันมันก็จะวิ่งไปงั้นแค่มีสติรู้ทันจิตตัเองเนี่ยศีลก็เกิดจิตเป็นปกติจิตก็ตั้งมั่นไ ม, ไ, ไม่หลงไปไม่ไหลไป จิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่ามีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี้แหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาหมายถึงว่าถ้าจิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็จะสามารถรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจของเราตามความเป็นจริงได้นะเช่นจิตใจของเรามันโลภมันโกรธมันหลงในรู้ทัน พอรู้ทันปั๊บจะเห็นเลยความโลภความโกรธความหลงเกิดแล้วก็ดับไปนี่เป็นตัวปัญญาน ะ, นะเห็นไตรลักษณ์ล่ะนั้นคอยรู้สึกนะรู้สึกตัวมีสติรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆเราได้ครบศีลสมาธิปัญญาได้ในขนาดเดียวกันด้วยนะไม่ใช่ตอนเช้าไปขอศีลมาจากพระกลางวันคิดธรรมะฟุ้งซ่านใหญ่แล้วบอกว่าจเจริญปัญญาก่อนนอนไปนั่งสมาธิบอกทาสมาธิ ศีล ส, สมาธิปัญญาอยู่คนละเวลากันใช้ไม่ได้นะการเจริญมัคหรือมักคปฏิปทาหรือบางทีก็เรียกปลูกพระพาคมัคเพื่อจะทำให้เกิดอริยามัคเนี่ยเราต้องพยายามให้ศีลสมาธิปัญญาประชุมลงไปในอารมณ์มันเดียวอยู่ด้วยกันไม่ใช่ไปแยกเป็นส่วนๆ น, นี้ศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นด้วยกันได้เพราะสติเท่านั้นเอง สติคือความระลึกได้เพราะงั้นต้นทางของการปฏิบัติก็คือต้องมีสติเมื่อใดมีสติแล้วเดี๋ยวสีสมาธิปัญญามันจะมีพมื่อมีสติกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีก็เกิดมีสตินะกิเลสตันหารากให้จิตวิ่งตามอารมณ์ไปไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นมีสมาธนะิพอจิตมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนั่นคือการเจริญปัญญาแต่ถ้าแอบไปคิดเห็นไหมจิตไม่ตั้งมั่น แอบไปคิดหลงไปอยู่ในโลกของความคิดหลงทางใจรู้กายรู้ใจไม่ได้จเจริญปัญญาไม่ได้เพระฉนั้นมีสติไว้เรื่อยๆนะศีล ส, สมาธิปัญญาจะได้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันถ้าทําอย่างนี้ถึงจะมีโอกาสเกิดอริยามรรคนะเพราะฉะนั้นแยกศีลแยกสมาธิแยกปัญญามรรคเกิดขึ้นไม่ได้หรอกทําอะไรห<อ>ลงดู รู้สึกไหมเราไปดูมันคล้ายๆเรา ด, ดูในใจเรามีจอคอมพิวเตอร์จอมอนิเตอร์อยู่ตัวนึ่งเราไปจ้องที่จอนะั้นรู้สึกไหมจ้องที่จอนะั้นลืมตัวเองรู้สึกไหมนี่หลงดูนะเรานึกว่าเรารู้อยู่ที่แท้หลงอยู่ทานองเดียวกันอย่างที่คุณฝึกคิดว่ารู้กายอยู่ทั้งวันเลยความจริงหลงรู้อยู่เพราะอะไรเพราะาเราไม่เคยเรียนถึงตัวสัามาสมาธิ จิตเราถลำลงไปรู้เราคิดว่ารู้ตลอดนะบางคนเนี่ยบอกกระดุกกระดิกดิฉันไม่เคยเผลอเลยนะมีคนนึงเออมาบอกเผลอหรื อ, อยังดิฉันไม่เคยเผลอเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับดิฉันรู้ตัวตลอดบอกดิฉันนะผ้าละหันหรือเปล่าถ้าดิฉันไม่ใช่พ้าละหันนะดิฉันอยากสำคัญผิดนะว่ารู้ตัวตลอดไอ้ที่รู้อยู่นี่นะแกล้งตรึงความรู้สึกเอาไว้เฉยๆเองกลัวว่าจะหลงก็เลยตรึงความรู้สึกเกาะไว้ที่กาย เั้นเวลาจะเคลื่อนไหวสังเกตไหมใจจะทื่อๆใจจะแข็งทื่อๆจิตที่ทื่อๆจิตที่แข็งแข็งนี่อกุศลนะจิตอกุศลนะเพราะฉั้นต้องเรียนเี่ยเรื่องจิตใจงั้นเดี๋ยวจะหลงทําอากุศลเสร็จแล้วบอกว่าเราทําวิปัสสนานะต้องระวังพวกดูดูกายก็มักจะไปเพ่งกายหรือไปตรึงความรู้สึกไว้ที่กายพวกจะดูจิตก็มักจะไปเพ่งจิตไปตรึงความรู้สึกไว้กับจิตเีย จะถล่มเข้าไปจิตใจจะต้องเป็นกลางตั้งมั่นไม่ส่งไปข้างนอกไม่ส่งเข้าข้างในจิตที่เป็นกลางเนี่ยไม่ส่งนอกไม่ส่งในเป็นกลางเนี่ยเข้าไปข้างในล้วเห็นไหมไม่ได้ใช้ตาไม่ได้ใช้หูใช่ไหมแต่ใช้ใจรู้สึกไหมเราใช้ใจทํางานโดยเราไม่รู้ว่ากําลังใช้ใจอยู่นี่คือหลงทางใจไงั้นรีบรู้ทันรู้จักหลงคิดยัง เอออย่างนี้ถึงจะเรียกรู้จักนะแต่กี้ไม่รู้จักแต่กี้หลงคิดแม้รู้สึกไว้ไม่งั้นเราจะหลงหลงทงั้งๆที่นึกว่ารู้อะ่ะแม้นอาตมาถึงบอกนถ้าใครศึกษานะจนกระทั่งรู้จักว่ารู้เป็นยังไงแล้วจะตกใจเพราะตลอดชีวิตเราหลงตลอดเลยหาคนที่รู้สึกตัวแทบไม่มีเลยเห็นไหมทางานทางใจแต่ไม่เห็นนั่นคือหลงนะลองกำหนดลมอย่างที่เคยทา เนี่ยดูออกไหมนะมันหลงสองแบบคือมันจะหลงทางใจมันจะหลงไปคิดนะมันยังไม่รวมแต่ว่านี่เป็นการหลงทางใจทั้งคู่เลยเป็นการทำงานทางใจโดยที่เรามองไม่เห็นเนี่ยรู้ไหมให้ทางานทางใจนะงั้นต้องรู้ให้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันอกุศลแหละการที่เราไม่สามารถเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงและถ้จิตมีโมหะอยู่งั้นในโลกนี้เต็มไปด้วยโมหะนะ ค่อยๆเรียนอาตามาไม่ได้แกล้งว่านะบางคนฟังแล้วโมโหบางคนบอกว่าอะไรมาใส่ร้ายดิฉันรู้ตัวทั้งวันเลยนะทนทนเรียนหน่อยทนทนฟังถ้าเข้าใจแล้วจะรู้ว่ามันน่ากลัวจิตของเราส่วนใหญ่มันเป็นอกุศลอย่างนี้จิตมันฟุ้งซ่านรู้จักไหมเห็นไหมมันไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยแล้วเวลาฝึกเนี่ยเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะบังคับไม่ให้หนีนะ อ, อย่าไปคิดว่าเราจะต้องฝึกจนกระทั่งรู้สึกตัวตลอดเวลาจิตไม่หลงไม่เผลอจิตไม่หนีไปไหนเลยเพราะเราบังคับสำเร็จนั่นแหละความหลงผิดการที่จะเข้าใจธรรมะไม่ใช่เกิดจากการบังคับจิตสำเร็จนะการที่เข้าใจธรรมะอยู่ตรงที่ว่ารู้ความจริงว่าเราบังคับขันห้าไม่ได้ขันห้าไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ตรงนี้ต่างหากละธรรมะ ส่วนใหญ่เราจะชอบไปกดข่มจิตใจกลัวว่าจะเผลอก็คอยตรึงความรู้สึกไว้ที่กายกลัวกิเลสจะมาก็คอยนั่งจ้องเอาไว้พอจ้องไมนานานๆชนานาญนะคิดว่ารักษาจิตไว้ได้นั่นนั่นแหละหลงผิดแหละเห็นไหมคิดว่าจิตเที่ยงใช่ไหมดีตลอดนะคิดว่าจิตเป็นของควบคุมบังคับได้ใช่ไหมจิตก็เป็นอัตตาสินะ กันเราเรียนให้เห็นมะขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่ใช่เรียนเพื่อจะบังคับอันนี้นค่อยๆปรับทัศนะของเรานะเราจะมีสิ่งที่เพี้ยนๆตรงน้นนิดตรงนี้หน่อยนะเป็นจุดๆอ่ะนะค่อยๆฟังใจเย็นๆทนหน่อยนะคนฟังหน่อยเพราะมันยากมันยากถึงขนาดที่พวกเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องฟังธรรมะรู้ไหมแอบไปทํางานทางใจ เเรารู้หมดเลยมันทําอะไรก็รู้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รู้ว่ากําลังหลงอยู่ทางใจเนี่ยหลงทางใจเนี่ยหลงทางใจคอยสังเกตนะอยากพูดอยากพูดรู้ไหมถ้าไม่รู้นี่หลงเลยนะกิเลสเกิดขึ้นที่จิตมองไม่เห็นมันเห็นไหมเห็นแรงดันไหมมันดันขึ้นมาเป็นเพื่อเพื่อนั่นะรู้ไปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะอยากคิดเอาดูเอา เห อ, อเห็นไหมความอยากจะพูดหายไปแล้วมันก็ไม่ต้องพูดสบาย <laughs> ธรรมะเรียนตรงนี้นะนึกออกหรือยังกิเลสเกิดขึ้นตรงนี้แหละตัวอื่นก็เกิดที่เดียวกันนี้แหละนะมันเกิดขึ้นจากอธยวัต ถ, ถุผุดขึ้นตรงนี้แหละรู้ลงไปเลยแล้วก็อย่าเห็นมันเกิดดับเกิดดับอยู่ที่เนี้ยทําเท่านี้พอเลยนะไม่ต้องทําอย่างอื่นอีกแล้วทําตรงนี้แหละหนีไปเหมือนกันรู้สึกไหม อ้าวเนี่ยก็หนีไปคิดแล้วนี่เดยตกใจรู้สึกไหม <c oughs> ตกใจรู้ว่าตกใจนะเอาหนิงเป็นไงหนิงเป็นไงบ้างเอาคุณเสื้อดบ ม, มามานั่งนี่มาที่นั่งว่างอ้ากล้าๆหน่อยมาเขาแย่งกันนั่งหน้านะสังเกตไหมพวกเก่าๆนะถ้าไม่ไล่นะจะยุดข้างหน้าหมดเลยสิงเป็นไงสิง โอ้พูดเป็นใจรักเอาคุณวุฒหนีไปละคุณวุฒิเอาข้างหลังอะ่ะเห็นไหมทีมผู้หญิงข้างหลังอะ่ะไปดูเขาลืมตัวเองหมดเลยรู้สึกไหมนี่เรียกว่าหลงนะอหลงดูเห็นไหมไปดูเขาลืมตัวเองเรียกว่าหลงดูนะนั่งฟังฟังข้างบ้านเ้าคุยกันนะเกิดมีที่โสดแอบฟังเขานะเขาคุยอะไรรู้หมดเลย ลืมตัวเองนี่หลงฟังนั่งเฉยๆก็คิดไปเรื่อยๆเลยรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมตัวเองก็เรียกหลงคิดหลงคิดนะเห็นไหมดูออกไหมมันไหลดูออกไหมรู้ทันมันไม่ห้ามมันที่ไม่ห้ามมันเพราะห้ามไม่ได้ไม่ใช่เรียนเพื่อจะห้ามแต่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายกระใจเป็นของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ ธรรมะอยู่ตรงนี้นะไมะงั้นอย่าตั้งเป้าผิดอย่าตั้งเป้าเรียนเพื่อจะไปละมันเพื่อจะไปควบคุมมันพระพุทธเจ้าสอนบอกทุกข์ให้รู้ทุกข์คือกายกับใจเรามีหน้าที่รู้ไม่มีหน้าที่ควบคุมท่านสอนว่าสมูทัยคือความอยากให้ละเสียเนราะความอยากจะละทุกข์อยากจะควบคุมจิตให้มันดีความอยากเกิดขึ้นรีบรู้ทันนะรีบจัดการกับมันซะก่อนนะจับหลักการปฏิบัติให้แม่นแม่นแล้วจะง่าย ทัาสอนทุกให้รู้สมูทไทยให้ละของเราก็มีสมูทไทยที่จะละทุกอยากละทุกรู้สึกไหมความทุกเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นนักปฏิบัติความโกรธเกิดขึ้นทํายังไงมันจะดับเนี่ยสิ่งแรกที่คิดเลยทํายังไงกิเลสจะดับนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนนะท่านบอกให้รู้นะความโกรธเกิดขึ้นดูลงไปซิมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง ถ้ามันเที่ยงก็ไม่ต้องมานับถือพระพุทธเจ้าดูลงไปเราจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาล้นแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะดูของจริงเพราะน้นเรียนเพื่อให้เห็นของจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นถึงสอนว่าทุกข์อะทุกข์คือกายกับใจทุกข์ให้รู้ให้คอยรู้กายรู้ใจไว้สมุทัยคือความอยากให้ละเสียขางเรามักจะอยากอยากละทุกข์ ไม่ใช่อยากรู้ทุกด้วยนะอยากละเลยแต่พวกที่เที่ยวหาเนี่ยพวกอยากรู้ทุกข์บางทีเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีแกว้งแกล้งอยู่ข้างในนะเนี่ยพวกอยากรู้ทุกขนะ์ก็ผิดนะอยากรู้ทุกก็ผิดนะนะความอยากเกิดขึ้นจัดการกับมันซะรู้ทันมันรู้จักหลงคิดหรื อ, อย่างยังไม่เลิกไม่อย่างตอนเนี้ยรู้ไหมมันยังไม่เลิก มันยังไม่รู้สึกตัวยังพยายามอยู่ทราบไหมให้รู้ทันลงไปเลยนะความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลว อ, อยู่ตรงนั้นแหละเห็นไหมเลิกพยายามแล้วรู้สึกไหมพอเลิกพยายามใจก็หลุดออกมาเลยรู้สึกไหมโล่งว่างขึ้นมาเลยไอ้พยายามนั้นเราพูดเราเองความจริงคืออยากอยากหลุดออกมามันก็ไม่หลุดสิมันอยากนี่นะหนีไปคิดรู้จักหรือ ย, อยัง เห็นไหมเขาชอบนั่งหน้านะนีหลังเนี่ไปแย่งนั่งหลังรู้จักใจลอยไหมรู้จักเผลอไปคิดไหมรู้จักเผลอไปคิดไม่เลิกไหมพูดได้อืม ขั้นแรกเลยนะพวกเรานักปฏิบัติสิ่งสําคัญมากขั้นแรกเลยก็คือถือศีลห้าไปก่อนนะอันนี้เรื่องศีลห้าที่เป็นห้าข้อจริงๆมีศีลห้าควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาไว้ก่อนถ้าจากนั้นพอเจอไอ้คนนี้มันด่าเราความโกรธเกิดขึ้นในใจนะพอเรามีศีลห้าเราเก็บมือเก็บเท้าเก็บปากไว้ก่อนนะเราก็รู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นที่ใจถ้าเมื่อไหร่สติตัวจริงเกิดขึ้นในความโกรธจะดับทันที แต่บางคนความโกรธเกิดขึ้นแล้วยังนั่งดูมันอยู่ได้ไม่หายไปไหนมันโผล่อยู่ตรงนี้นั่งดูแล้วมาถามอาตามาว่าดิฉันเห็นความโกรธทําไมความโกรธไม่ดับดิฉันมีสติแท้ๆใลยความโกรธไม่ดับนั่นไม่ได้มีสติหรอกนะในขณะนั้นนะสังเกตให้ดีพอกิเลสเกิดขึ้นอยากให้กิเลสดับความโกรธเนี่ยเราอยากให้มันหายไปรู้สึกไหมจิตที่อยากให้ความโกรธหายไปเนี่ยจิตเจือด้วยโทสะอีกตัวหนึ่ง มีความโกรธแต่ไปโกรธไอความโกรธตัวแรกเพราอ น, นจิตขนาดนั้นเป็นอกุศลจิตไม่ได้มีกมันมีกิเลสซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งนะไม่ได้มีสติจริงแล้วกิเลสไม่ดับแต่ถ้าเมื่อไหร่สติตัวจริงเกิดนะกิเลสจะมีไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเพราะสติเกิดกับอกุศลเท่านั้นไม่เกิดกับอกุศลทําอะไรหือชาวเมืองชนอะไรนะ เออดีดีนะดีที่รู้ทันนะไม่ดีที่เพ่งนะเอพอจะนึกออกอยังว่าที่ผ่านมาในชีวิตที่เราปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่เพ่งก็เผลอเห็นไหมไม่เพ่งก็เผลอเนี่ยถ้าเมื่อไร่ไม่เพ่งไม่เผลอเมื่อนั้นรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวที่แท้จริงไม่ต้องทําขึ้นมาะจิตแอบไปเพ่งเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งคําบริกรรมพุทโธพุทโธอะไรเนี่ย รู้ว่าเพ่งเดี๋ยวก็รู้สึกตัวได้จิตเผลอไปเผลอไปทางตาเผลอไปทางหูเผลอไปทางใจพอ ร, รู้ทันว่ามันเผลอไปมันก็รู้สึกตัวได้เงี้นที่ถูกทําขึ้นมาไม่ได้ถ้าให้รู้ทันที่ผิดแล้วมันถูกเองแต่เมื่อถูกเองแล้วมันถูกชั่วขณะเท่านั้นเองอเดี๋ยวมันจะผิดครั้งใหม่แล้วผิดครั้งใหม่อย่างรวดเร็วเพราะอะไรเพราะความรู้สึกตัวนั้นเกิดได้ชั่วขณะเท่านั้น นะจิตประกอบด้วยแค่คณิกะสมาธิเท่านั้นเองเกิดชั่วขนาดสมาธิตัวนี้นหละเอาไว้ทํำวิปัสสนาเราจะเห็นเลยว่าจิตเมื่อกี้เผลอไปขณะที่เผลอไปเป็นอกุศลเกิดจํานวนมากเลยอกุศลเกิดได้เยอะเกิดซ้ําๆๆเยอะตรงที่รู้ว่าเผลอเนี่ยจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วความหลงคิดไปดับทันทีที่รู้สึกตัวนะจิตเกิดกุศลขึ้นมาไม่หลงแล้ว ถัดจากนั้นอีกแวบเดียวจะหลงครั้งใหม่หลงครั้งใหม่หลงได้หลายแบบเช่นหลงคล้าครวนถึงอดีตตายแล้วเราเผลอมาตั้งชั่วโมงแล้วถ้าจะแย่แล้วนี่หลงครั้งใหม่แล้วหลงคล้าครวนอีกพวกหนึ่งหลงห่วงอนาคตอ้ยมันเผลอมาตั้งนานนี่รู้สึกตัวแล้วทำยังไงจะไม่เผลออีกเพราะงั้นทางที่ดีเราเอาจิตเกาะไว้ที่กายดีกว่าจะได้ไม่เผลอนี่อะไหลงอีกแล้วนะ แท้จริงไม่ต้องบังคับมันเลยดูลงไปของจริงจิตมันเผลอไปมันแอบไปคิดนี่มันอกุศลรู้ไม่ได้หรอกตรงที่รู้ทันว่าเมื่อกี้หลงไปคิดเนี่ยกุศลมันเกิดแล้วแล้วมันเกิดได้แวบเดียวหนีไปคิดใหม่หนีไปคิดระหว่างนี้ไปคิดรู้สึกไม่ได้เพราะจิตเป็นอกุศลนะถัดจากนั้นรู้อีกอ้าวเผลอไปคิดอีกแล้วนะเพราะงั้นความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็หลงแวบหนึ่งแล้วก็หลงนะแต่คนในโลกเนี้ย ม่นหลงวันละครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับนะไม่เคยรู้สึกตัวขึ้นมาสักแว็บหนึ่งแต่ถ้าเราหัดรู้สึกได้หนึ่งแวนะ็บแสดงวันนี้หลงสองครั้งแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนะหลงให้เยอะๆเลยหลงให้ได้ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งนะแสดงว่าสติเกิดถี่ยิบเลยไหลแวบ็บรู้แวบ็บรู้แวบ็บรู้อา้าวอยากพูดอา้าพูดไปไม่ทําทําไม่ได้ ให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ได้ให้ทําไม่วางไม่วางไม่วางมันทําไมมันของเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่ไหลาตามน้ําเรามีหน้าที่รู้รู้ว่ามันไหลาตามน้ําไม่ใช่เราไหลไปด้วยนะ <c oughs> ถ้าเราไหลไปด้วยก็เหมือนคนในโลกแหละคิดเพลินๆไปทั้งวันนั้นไหลาตามน้ําไปแล้วของคุณต้องฝึกอันนี้ก่อน ให้รู้สึกตัวจริงๆขึ้นมาก่อนนะจิตยังไม่ได้ตั้งมั่นต้องเรียนเรื่องสัมมาสมาธินิดหนึง่งจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่ไหลไปเรียนตรงนี้ก่อนนะจิตที่หลงไปไหลไปเนี่ยหลงไปทางสวรรคทั้งหกแต่เรียนสามันพอตาหูกับใจนะพอจะรู้ไหมตอนนี้อย่างนั่งฟังอตาต ม, มาพูดเนี่ยเดี๋ยวก็ใช้ตาดูเดี๋ยวใช้หูฟังเดี๋ยวใช้ใจคิดสลับกันไปเรื่อยๆดูออกไหมนะ เพรา้นเมื่อรายตาไปดูรู้ว่าดูนั่นแหละรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกอย่างเนี้อย่างนี้หลงไปคิดแล้วรู้ไห ม, ออมไม่ใช่ไม่ใช่มองหลวงพ่อรู้ว่ามองหลวงพ่อนะมองหลวงพ่อรู้ว่าหลงไปมองอยู่มีคนหนึ่งนะมาบอกจะมาเป็นญ า, ญาติญาติญาติผู้ใหญ่ด้วยะบอกเข้าใจแล้วที่ท่านพูดถ้าดิฉันเห็นพัดลมจะรู้ว่าพัดลมอกโอ้งั้นไม่ต้องปฏิบัตินะใครก็รู้เอาใหม่บอก ถ้าเห็นพัดลมอยากเอากลับบ้านรู้ว่าอยากากลับบ้านเอ อ, อย่างนี้ปฏิบัตนะิบางคนบอกว่าเข้าใจแล้วครับเมือผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้มาหรือเปล่านะค <c oughs> นนี้แอบดินทานะฟังอยู่ชั่วโมงหนึ่งสิบโมงแล้วคลานรุบๆเข้ามาผมเข้าใจแล้วการปฏิบัติง่ายนิดเดียวถ้าผมออกจากสารานี้ไปนั้นได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมแล้วบอกโอ้โหไม่ต้องปฏิบัติเขาก็รู้กันนะใครก็รู้ใช่ไหมเอาไม้ ถ้าจะถูกต้องก็คือได้กลิ่นดอกไม้หอมใจมันชอบรู้ว่าใจมันชอบไม่ใช่รู้ว่าดอกไม้หอมนะถ้าได้กลิ่นดอกไม้หอมแล้วมันสงสัยว่าไอ้ดอกอะไรนะอยากรู้อยากรู้รู้ว่าอยากรู้นะเที่ยวมองใหญ่เลยเที่ยวมองมองอ่ากําลังหลงมองอยู่รู้ว่าหลงมองอยู่นี่ก็เรียกว่าปฏิบัตินะงั้นจับหลักให้แม่นๆต้องง่ายทําในชีวิตจริงๆเลยงั้นต้องเรียนให้รู้จักคําว่าหลงก่อนนะ เราหลงทางตาหลงทางหูหลงทางใจเนี่ยหลงทางใจรู้จักไหมเพอจะดูออกหรือยังมันแอบไปทํางานทางใจโดยเราไม่รู้ทันเรียกหลงทางใจเนี่ยหลงทางใจถึงไมไปหลงอยู่ในโลกของความคิดความสงสัยเกิดขึ้นก็ไม่เห็นอีกนะเนี่ยหลงอีกล้วอย่าพยายามนะคืออย่าอยากอ่ะ อย่าอยากหามันอย่าพยายามหามันอา้าวใครจะถามอะไรเชิญนะฟังอาตมารวดเดียวให้รู้เรื่องยากนะงั้นเดี๋ยวจะมีหนังสือแจกให้ไปอ่านเอาเองนะอ่านเที่ยวหนึ่งไม่รู้เรื่องก็อ่านหลายๆเที่ยวนะอาตมาเขียนตั้งปีเลยงั้นอ่านให้ได้สักปีหนึ่งนะงั้นเอาเปรียบอาตมา แถมาตมาเก็บข้อมูลมา20ปีนะเอองั้นอ่านสัก20ปีก็คุ้มเลยอ่าวว่าม า, ม า, าการเดินโยกลมที่ท่านบอกว่าก็คือว่าเราก็เป็นเท้าเร่งจิตเป็นเท้าจาตก็คือจิตใช่ไหมคะการเดินโยกมุมที่ถูกต้องก็คือ<ป>การที่เรามีความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเดินอยู่ไม่ใช่เราเดินอ่ะ เห็นรูปมันเดินไม่ใช่เห็นเราเดินการรู้มีสองชนิดนะรู้อย่างศักว่ารู้เนี่ยถูกนะถูกของวิปัสสนานะรู้แบบถลําลงไปจอ่อจ้องแช่นิ่งอยู่นี่ก็ถูกเหมือนกันแต่ถูกอย่างสมถะพอจะนึกออกไหมว่าที่เดินอยู่เนะี่ยเป็นสมถะเพราะจิตเนี่ยถลําลงไปเกาะ อ, อยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องนะ แต่ถ้ารู้อย่างนี้ปัสนาเนี่ยจิตจะสักว่ารู้มันจะเห็นเลยว่าไอ้ที่เดินอยู่นี้มันไม่ใช่เราเดินหรอกรูปมันเดินไอ้ที่นั่งอยู่นี้มันไม่ใช่เรานั่งรูปมันนั่งนะมันจะเห็นเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าฉันนั่งฉันนั่งเนี่ยฉันนั่งฉันก็รู้ว่านั่งนะเนี่ยนี่ไม่รู้หรอกมันยังมีชั้นตัวเบลอเลยนะยังมีเราอยู่เพราะฉะนั้นการรู้เวลาเราไปรู้อารมณ์เนี่ยมีสองรู้ นะรู้ที่หนึ่งถลำลงไปนิ่งไปแช่อยู่ที่นั่นเลยจิตเกาะอยู่ในอันเดียวเลยได้สมถะสังเกตไหมพวกเราบางคนเดินเดินแล้วรู้สึกตัวเบาตัวตัวเบาตัวหนักตัวลอยตัวพองตัวเล็กตัวใหญ่รู้สึกไหมนั่นคืออาการของสมถะทั้งสิ้นเลยไม่ผิดถ้าเป็นสมถะ ถ, ถ้าทำวิปัสนาแล้วก็ไม่ใช่วิปัสนา พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญายิ่งคือสมถะและวิปัสสนาแต่อย่าลืมนะต้องมีคําว่าด้วยปัญญายิ่งนะด้วยปัญญายิ่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรต้องรู้ชัดเราจะทําสมถะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตสงบจะได้พักผ่อนวิธีทําสมถะทําอย่างไรเอาสติระลึกลงไปในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่อง นี่จิตใจก็ไม่วักแวกได้พักผ่อนนี่เรียกว่าทําอย่างมีปัญญานะถ้าเราจะทําวิปัสนาล่ะวิปัสนาทําเพื่ออะไรวิปัสนาทําเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องการเห็นความจริงวิปัสนางั้นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปบังคับแต่ไปดูว่าของจริงเป็นยังไงนะวิธีดูดูยังไงวิธีดูก็คืออย่าให้ความอยากดูนําหน้านะ ให้มีสติขึ้นมาเมื่อไรมีสติก็รู้กายรู้ใจนะสติต้องเกิดขึ้นเองด้วยไม่ใช่แกล้งทำให้เกิดนะสติเนี่ยมีการจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะเพราะงั้นเราหัดสังเกตสภาวะเรื่อยๆนะโดยเฉพาะสภาวะทางใจเนี่ยจิตใจมันมีความรู้สึกอะไรคอยสังเกตมันมีอาการเช่นมันวิ่งไปทางตามันวิ่งทางหูมันวิ่งทางใจมันเข้าไปเพ่งมันเข้าไปหามันเข้าไปคิดอะไรเนี่ย แล้วนะค่อยสังเกตค่อยรู้ไปเรื่อยหัดรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจว่าจะทําไปเพื่ออะไรต่อมาพอใจแอบไปคิดพอเผลอไปคิดสติจะเกิดเองอ้าวเผลอไปคิดแล้วสติเหมือนยามค่อยคอยบอกเราอ้าวเผลอไปคิดแล้วอ้าวโกรธล้วอ้ดีใจแล้วนี่สติลักษณะอย่างนี้ทนะันทีที่สติเกิดโดยที่ไม่ได้เจตนาจะให้เกิดคือไม่มีโลภะแทรกนี่สติตัวจริงนะแต่ถ้าอยากจะรู้ เอาละต่อไปนี้ข้อหลักทางก่อนแก้งได้เวลาปฏิบัติเอาละต่อไปนี้เตรียมตัวรู้ต้องตั้งค่าก่อนต้องทําำขืมก่อนใช่ไหมต้องทํำขืมก่อนก่อนจะปฏิบัติคขืมได้ที่แล้วะจะดูอะไรดีจะดูกายอะะดูกายนั่งเฝ้ากันดูซิเมื่อไหร่มันจะกระดุกกระดิกนี่ไม่ใช่เลยนะคนละเรื่องเลยเพราะฉะนัะ้นหน้าที่ของเราะกายานุปัสสนาที่พระพุทธเจ้าสอนง่ายมากเลย พิสูจทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวนะหลงไปทางทะวันทั้งหกไม่ได้ว่ารู้สึกตัวเนี่ยหลงทางใจนะกําลังหลงทางใจอยู่นะเอออย่างถึงจะรู้สึกตัวนะรู้สึกไหมพอรู้สึกตัวแล้วร่างกายมันเคลื่อนไหวอะ่ะนะรู้ในอาการที่มันเคลื่อนไหวรู้สึกไหมมันไม่ใช่ตัวเราทันทีที่รู้สึกเลยนี่เรียกว่ากายานุปัสสนานะเป็นวิปัสสนาด้วยคือเห็นทันทีเลยตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเราล้ว มันไม่คงที่เลยมันแปรปรวนมันไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมว่าง่ายส่วนนั่งเพ่งนั่งจ้องคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำให้ได้ต้องหัดให้เป็นคือรู้สึกตัวให้เป็นนะอยากรู้สึกตัวให้เป็นต้องรู้ว่าหลงเป็นยังไงหลงเป็นยังไงเพ่งเป็นยังไงสองอันนี้ทำให้รู้สึกตัวไม่ได้อย่างเราไปเพ่งเท้ารู้จักเพ่งเท้ายัางเออนะเพ่งแล้วได้ไหลได้สมถะเดินไปเดินมาตัวเบาเลย ตัวเบลยังบอกวิปัสนาญาณซนะิอาการของสมถายาณเป็นชื่อของปัญญานะไม่ใช่ชื่ออาการทางกายนะอ้าวญาติโยมทั้งหลายเบื่อยังเบื่อแล้วจะได้เชิญกลับบ้านนะเรียนครั้งเดียวไม่รู้เรื่องนะไม่เป็นไรบางคนเรียนทีเดียวรู้เรื่องนะสองสามท่านนี้พอรู้เรื่องนะคุณเป็นไงบ้างมากับใครคุณพี่ชายนั่นอ๋อ นะรู้สึกตัวไว้นะพอจะรู้ไหมจิตเผลอไปคิดเป็นยังไงจิตนั่งเพ่งนั่งจ้องเป็นยังไงนะคอยรู้สึกนะอา้าวยมว่าไงนะเจียมพาวนาเป็นไงบ้างแมมตับเหมือนตามสูตรเลยเหมือนไม่เที่ยงเอนะรู้สึกเรื่อยๆนะรู้สึกดีแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ภาวนาดีขึ้นเยอะเลย ใครรู้สึกของเราไปเรื่อยจิตใจเรามีความสุขก็รู้นะมันกังวลมันเครียดมันอะไรเราก็รู้เรื่อยเรื่อเราจะเห็นเลยความสุขทุกชนิดนะความทุกข์ทั้งหลายความรู้สึกทุกอย่างมาแล้วก็ไปต้องการเห็นแค่นี้เองไม่ต้องการอย่างอื่นนะต้องการให้เห็นเลยกายนี้อาการของกายอย่างเงี้ยอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะอาการทางจิตใจอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เปลี่ยน ต้องการให้เห็นแค่นี้เองไม่ได้ต้องการอย่างอื่นนะต้องการให้เห็นว่ากายกับใจนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาต้องการแค่นี้ไม่ได้ต้องการรู้เยอะกว่านี้นิพเป็นไงนิพส่งกันบ้านไหมขายบ้านหมดหรื อ, อยังแอบกลางคุณกลางใจลอยไม่เอาเดี๋ยวเห็นผีอีกคราวนี้ยังใหม่นะถ้า นึกถึงผีนะนึกถึงแบบแต่งแบบแม่มเลยนะผีต้นกล้วยตานีอะไรอย่างี้ไม่เอานะมันโบราณ น, นะเอารองเท้าส้นสูงเลยนะนะจิตเราสร้างได้ทุกอย่างอะนะอะไรเกิดขึ้นนะจับหลักไว้อันเดียวเลยไม่เชื่อนะ จับหลักให้แม่นๆเลยไม่เชื่อลูกเดียวเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งรู้สึกอาจารย์ทองรัฐหรืออะไเนี่ยไปอยู่ในป่าเกินนิมิตนะเห็นผีโผล่ขึ้นมานะจัดการเลยโดดขึ้นไล่เตะผีเป็นอนิจจังทุกขังนัตตามึงแหละเป็นอนิจจังทุกขังนัตตามึงอย่ามาหลอกกูนะ <c oughs> หายหมดเลยนะออนะมันทนตรรักไม่ได้ นะจิตมันปรุงขึ้นมานะเธอไปคิดละยังไม่เลิกรู้สึกไหมยังขอคิดต่ออีกหน่อ ย, อยเออต้องอย่างนี้นะรู้สึกไว้ไปหัดมาจากไห น, ไหนอ๋อวัตถุนเออฝึกให้ดีนะดีแล้วต่อไปนี้เวลาหายใจอย่างเคลิ้มนะหายใจให้รู้สึกตัวไว้นะครูบาอาจารย์พูดเท่ารุ่นก่อนๆสอนไม่เหมือนรุ่นหลังๆละ อย่าหลวงปูส่สุวัสด์สอนเนี่ยเอาพวกเราทําสมาธิขาข ว, วาทับขาซ้ายมือขวาท i, ับมือซ้ายตั้งกายตรงๆหายใจเข้ารู้สึกตัวบริกรรมว่าพุทหายใจออกรู้สึกตัวบริกรรมว่าโทสอนอย่างนี้พอเราไปถามว่าไงหลวงปู่ว่าไงหลวงปู่บอกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไม่เหมือนกันนะไม่ใช่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะเขาบอกหายใจเข้ารู้สึกตัว บริกรรมว่าพุทธหายใจเอารู้สึกตัวบริกรรมวตาตัวสิ่งที่สําคัญคือความรู้สึกตัวนะอย่างนี้ลูกฝีหลวงพระเทียนเห็นไหมหลวงพระเทียนบอกให้เขย่าธาตุรู้เพื่อให้รู้สึกตัวนะครูบาอาจารย์วัดป่าบอกให้มีจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นก็คือจิตที่รู้สึกตัวส่วนของเรามักจะมีจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งรู้สึกไหมเนี่ยจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่จิตผู้รู้หรอกเนี่ยยังไม่เลิกคิดรู้สึกไหมขอแถมอีกหน่อย ยังอยากพูดแล้วเห็นไหมเออเนี่ยรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้เห็นไหมไม่เหมือนการดูออกไหมใจนี้จะโล่งว่างเลยเบาเบิกบานนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่ซึมไม่ทื่อไม่แข็งไม่กระด้างนะจิต ท, ที่ซึมซึมทื่อทืแข็งแข็ ง, ขงกระด้างกรด้างหนักหนั ก, น, กนี่อกุศล น, นะจิต ท, ที่เป็นกุศลต้องมีลหุตาเบามีมุทุตานุ่มนวล มีกรรมั ญ, ญาตาไม่ถูกกิเลสครอบงำอยังอยากปฏิบัติเนี่ย ก, กิเลสครอบงำนะมีปา่าคุณตาคล่องแคล่วไม่ใช่ซึมนะฝึกไปฝึกมาเป็นโลกเอ๋อไปเลยเวลาคนเข้าไปสมัยพุทธกาลนะเวลาคนเข้าไปวัดไปเห็นภิกษุจํานวนมากภิกษุห้ารอยอย่างของเราเนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยภิกษุห้าร้อยนี่คารวะห้าร้อยคนมานั่ง หมายถึงเยอะนะเสร็จแล้วเขาจะไปชมกับพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุของพระองค์นะดูสงบแต่รล า, า, าเริงนะสงบแต่ร่าเริงนะคือจิตนั้ น, นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่ผู้หลงไม่ใช่ผู้ซึมซึมนะไม่ใช่ผู้เคร่งเครียดเมื่อไร่ปฏิบัติแล้วเครียดแสดงว่าทําผิดนั่นแหละจิตที่เครียดเป็นอากูศลจิต นะชนิดโทสะมูลจิตนะจิตที่เป็นกุศลเบิกบานแต่จิตที่เบิกบานไม่จำเป็นต้องเป็นกุศลนะอย่างไอ้ขโมยไปกล้นเขาได้นะมันก็เบิกบานนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตมีความสุขขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ปฏิบัติแล้วเครียดต้องรีบรู้ทันเลยว่านั่นอกุศลเกิดขึ้นแล้วนะโทมานัตเกิดขึ้นกับอกุศลลจิตเท่านั้น ถ้าปฏิบัติแล้วเครียดเอียดอยาขยันนะรีบหยุดเลยนะอย่าไปเสียดายพอไหวไหมอ้าวต่อไปนี้ให้กันบ้านนะควรมาใหม่ๆพวกที่ฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนะเอารับกันบ้านไปทำต่อไปนี้ให้คอยอ่านจิตตัวเองนะมันมีความรู้สึกอะไรคอยรู้มันไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอย่างอื่นก็ได้นะมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้นะมันโลภมันโกรธมันหลงมันอิจฉามันกลัว มันดีใจเสียใจอะไรคอยรู้ไปเรื่อยๆ น, ะนี่เบื้องต้นหัดอย่างนี้นะแล้วง่ายนี่ยนหนีคิดเห็นไหมไม่รู้เลยทั้งคู่นี่ก็หนีเหมือนกันนี่ก็หนีเหมือนกันโอ้มีแต่นักหนีเนาะหนีไปหมดแล้วนะกลับมากลับมานะกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัว